ตอบทรงปรารพภิกษุณีทุลลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลลนันธาให้ที่พักแก่ภิกษุณีแล้วกโกรธไม่พอใจฉุดลากออกไปในสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสมสมุดฐาน มา